หปัตตวรคสิกขาบทที่สว่าด้วยการแลกเปลี่ยนจีวรเรื่องภิกษุณีทุลันันธา743สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลันันธาแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีรูปหนึ่งใช้สอยครั้งนั้นภิกษุณีนั้นพับจีวรเก็บไว้ ภิกษุณีทุลนันธาได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าจีวรที่เธอแลกเปลี่ยนกับดิฉันอยู่ที่ไหนภิกษุณีนั้นจึงนําจีวรนั้นออกมาให้ภิกษุณีทุลนันธาดูภิกษุณีทุลนันธาจึงกล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าจีวรของเธอจงนําจ i̇şte, ีวรของดิฉันมาจีวรของเธอต้องเป็นของเธอจีวรของดิฉันต้องเป็นของดิฉันจงนําจีวรของดิฉันมา จงรับเอาจิตวของเธอคืนไปเถิดแล้วชิงเอาคืนลำดับนั้นภิกษุณีนั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุณีทั้งหลายบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยสันโดษจึงตำหนิประนามพลธนาว่าฉนัยภิกษุณีทุลั่นันทาแลกเปลี่ยนจิวนกับภิกษุณีแล้วจึงชิงเอาคืนเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ